พระไตปรปิฎกเล่มย1เหน้า3 1 3ร้อมข้อสองมีพระพุท ธ, ธาธิบายดังนี้ 1. กรรมดำให้ผลดำคือกายวาจาใจอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบุคคลนั้นย่อมเกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนเมื่อเกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนเช่นนั้นเขาย่อมได้กระทบกับผัสสะที่มีการเบียดเบียน ย่อมได้เสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนมีความทุกข์โดยส่วนเดียวเช่นสัตว์นรกทั้งหลายนี่แหละคือกรรมดามีผลดํา 2. กรรมขาวมีผลขาวหมายถึงกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของบุคคลใดไม่มีการเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนบุคคลนั้นย่อมเกิดในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียน เมื่อเกิดในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนย่อมกระทบกับผัสสะที่ไม่มีการเบียดเบียนคือไม่มีเรื่องแห่งการเบียดเบียนกันเขาย่อมได้รับเวทนาอันไม่มีการเบียดเบียนคือสุขเวทนาเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นเทพเจ้าเหล่าสุภากินอหะรนี่แหละคือกรรมขาวมีผลขาว 3. กรรมทั้งดำทั้งขาวมีผลทั้งดำทั้งขาว คือกายกรรมวจีกรรมและโมโนกรรมของบุคคลใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนบ้างบุคคลนั้นย่อมเกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างย่อมกระทบกับผัสสะอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างคือต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้าง ข้อย่อมสเสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างเกลื่อนกลนไปด้วยสุขและทุกข์ดังเช่นมนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกวินิบาตบางพวกนี่แหละคือกรรมทั้งดำทั้งขาวมีผลทั้งดำทั้งขาวสกรรมไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวคือเจตนาที่จะละ ก, กรรมทั้งปวง ทั้งกรรมดำกรรมขาวและกรรมทั้งดำทั้งขาวกรรมเช่นนี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเช่นกรรมของพระอรหันต์กรรมดำคืออกุศลทุจริตกรรมขาวคือกุศลสุจริตกรรมทั้งดำทั้งขาวคือกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งทุจริตและสุจริตกรรมไม่ดำไม่ขาวคือกรรมของพระอรหันต์ศักแต่ว่าเป็นกิริยา ไม่มีผลเป็นสุขหรือทุกข์อีกต่อไปคนที่มีบาปมากไปนรกคนที่มีบุญมากไปสวรรค์ชั้นดีคนที่มีทั้งบุญทั้งบาปมาเกิดเป็นมนุษย์เกลื่อนกล่น้อยด้วยสุขและทุกข์สัตว์ดิเรกฉานบางพวกที่มีความสุขตามฐานะของตนก็เพราะมีกุศลวิบากอยู่ด้วยมนุษย์ชั้นสูงแม้จะมั่งมีแต่มีความทุกข์เจือปนอยู่ด้วย ก็เพราะอากุศลวิบากติดตามอยู่ด้วยเหมือนกันพระอาราหันต์เป็นผู้ละบุญและบาปได้การกระทาของท่านทั้งหมดเป็นเพียงกิริยาไม่ก่อให้เกิดวิบากอันจะให้ผลต่อไปท่านอยู่เหนือความดีความชั่วเหมือนครูซึ่งอยู่เหนือการสอบได้สอบตกไม่ต้องดีใจเสียใจเพราะการสอบได้สอบตกนอกจากพลอยนุโมทนาต่อการสอบได้ของคนอื่นซึ่งยังเป็นนักเรียนอยู่ อันหนในโลกนี้เหมือนมหาสาครหรือมหาสมุทรซึ่งเกลื่อนกลล์อยู่ด้วยสัตว์ร้ายนาน า, นานชนิดบุคคลในโลกเหมือนผู้แหวกว่าอยู่ในมหาสาครอันท่านเรียกว่าสังสารสาครโอกาสที่จะเป็นเหยื่อของปลาร้ายคือความชั่วนั้นมีมากคนทําความดีตั้งตนไว้ชอบเปรียบเหมือนผู้อยู่ในเรือทำเปรียบเหมือนเรือ ข้อนี้ตรงตามทิ่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าทรงแสดงทำไว้เพื่อให้เป็นเรือหรือแพสำหรับข้ามฝั่งคนที่อาศัยเรือขึ้นฝั่งได้แล้วก็ทิ้งเรือไว้หน้าฝั่งนั่นเองไม่ต้องเข็นเรือขึ้นบกหรือแบกเรือขึ้นไปด้วยด้วยเหตุนี้อริยะสาวกเมื่อถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วก็ทิ้งเรือคือธรรมใช่ด้วยตรงกับทีพระพุทธองค์ตรัสว่า เราสอนให้ละแม้ซึ่งทมไม่ต้องกล่าวถึงอาธรรมอีกอุปมาหนึ่งอริยะบุคคลเหมือนช่างไม้ทำเหมือนเครื่องมือช่างไม้เมื่อทำเรือนหรือสัมภาระที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างไม้ก็เก็บเครื่องมือเสียไม่วางระเกะระกะไว้อีกอย่างหนึ่งกิเลสเปรียบเหมือนโรคทมเหมือนยาบำบัดโรคเมื่อใช้ยาจนหายโรคแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาอีกต่อไป เรียกว่าเป็นผู้ละได้ทั้งโรคและยาพระอาหารหันต์ผู้ละบุญและบาปได้แล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวกุศลกรรมนั้นแม้จะให้ผลเป็นสุขก็จริงแต่มีความทุกข์แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วยเหมือนตัวหนอนในดอกไม้เพราะกุศลกรรมที่มีตันหาอุปาทานเชื่อมโยงอยู่ด้วยนั้นยอ่อมก่อให้เกิดพบใหม่ชาติใหม่ เมื่อมีชาติก็ต้องมีชารามรณะนะสโสกะปริเทวะทุกขะโทมานัสสะตามมาเป็นขบวนด้วยเหตุนี้ผู้มีปัญญามีบารมีหรืออุปนิสัยในทางธรรมจึงมองเห็นความเกิดเป็นความทุกข์เห็นสมุทัยคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จึงพยายามเพื่อล่ากรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงกิเลส รรวิบากสามอย่างนี้สืบต่อกันเป็นวัตตะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมเมื่อวิกรรมก็มีวิบากคือผลผลดีบ้างชั่วบ้างก็ให้เกิดกิเลสต่อไปเวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นสุดพอสิ้นกิเลสกรรมก็หมดวิบากก็หมด